เล็บยาวมากคือมาลูบมาคลาที่ตัวงคุณเก้งคือลูบจากหัวไหล่ลงไปถึงช่วงเอวคุณเก้งก็จะดุ้งตกใจตื่นค่ะแต่ก็ไม่พบอะไรคุณเก้งก็เลยคิดว่าอะคงเป็นแค่ฝันร้ายแต่ว่าวันที่สองเป็นวันศุกร์ค่ะก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าจะอยู่หอ อ, กอีกวันหนึ่งเพราะต้องการทำวิจัยกับเพื่อนๆที่มหาลัย เหตุการณ์ในวันนี้แรงมากค่ะขณะที่คุณแก้งกําลังหลับอยู่เวลาประมาณสักเที่ยงคืนความรู้สึกที่มีมือมันรูปไหล่ตามตัวก็กลับมาอีกเหมือนเดิมโดยที่คุณแก้งนั้นขยับตัวไม่ได้ลักษณะเหมือนโดนผีอั้มพยายามสวดมนต์แล้วแต่ก็ไม่สําเร็จพยายามพูดแต่ก็ไม่มีเสียงและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็เกิดขึ้นนะคะมีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูบอกไม่ต้องกลัวหรอกมาอยู่กับพี่เถอะจะได้สบาย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 เรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้นะคะก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณต้นปี2554ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณโจ๊กเป็นผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะคุณโจ๊กบอกว่าเป็นเรื่องของร้านเล่าผีนะคะ คือเพื่อนของคุณโจ๊กได้เปิดร้านเหล้าเป็นสองคูหาก็คือสองห้องติดกันแถวถนนจรัญสนิทวงศ์ทำเลนั้นเป็นช่วงทางโค้งพอดีนะคะซึ่งเพื่อนของคุณโจ๊กเองก็ได้เซ้งร้านจากเจ้าของเดิมมาในราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่งพอถึงวันเปิดร้านวันแรกเพื่อนของคุณโจ๊กซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ก็ได้ซื้อหวยรัฐบาลค่ะเป็นเลขที่บ้านก็อเปอิญว่าถูกด้วยนะคะก็ได้มีการจัดเลี้ยงกันยกใหญ่ซึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเจ้าที่ดีนี่ว่าต่อไปร้านของแกเนี่ยคนคงจะต้องแน่นร้านแน่เลยแต่ว่าพอเปิดร้านไปได้สักระยะหนึ่งค่ะเข้าสู่เดือนที่สองร้านที่บอกว่าเจ้าที่ดีคนต้องเข้าร้านกันเยอะมาก กลับเงียบเชียบเลยนค ะ, ะตั้งแต่ต้นเดือนนี่ก็กลางเดือนแล้วเดือนที่แล้วก็ยังพอมีลูกค้าเข้ามาบ้างทุกคนก็คิดกันเอะหรือว่าไม่ได้ไว่ายอะไรหรือเปล่าเส้นเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอตกเย็นวันหนึ่งเพื่อนก็ได้ฝากให้คุณโจ๊กเนี่ยช่วยมาเปิดร้านให้หน่อยเนื่องจากว่าตัวของเพื่อนเองเนี่ยก็จะต้องไปซื้อของมาไหว้ซึ่งคุณโจ๊กบอกว่าผมก็รับปากเพื่อนแล้วก็เดินทางไปที่ร้านตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมง รอให้เวลาหัวค่ำเพื่อที่จะเตรียมตัวเปิดร้านวันนั้นคุณโจ๊กบอกว่าไปคนเดียวนะคะระหว่างที่กำลังเตรียมตัวเพื่อจะเปิดร้านอยู่นั้นก็เริ่มจากการเปิดเพลงในร้านแบบเบาๆไฟในร้านก็ยังไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าแสงหน้าร้านก็ยังเพียงพออยู่บ้าง ในระหว่างที่คุณโจะกำลังเก็บนู่นเก็บนี่อยู่ภายในร้านก็บังเอิญได้ยินเสียงเหมือนกับว่าคนกำลังปิดประตูห้องน้ำนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีความตกใจหรือว่าสะดุ้งนิดหน่อย ก็ได้แต่คิดว่าเออลมคงพัดละมั้งเนื่องจากว่าตอนนั้นอยู่คนเดียวเพียงลำพังนะคะพอเพื่อนมาก็จัดแจงเข้าของต่างๆก็เริ่มลงมือไหว้เพราะไหว้เสร็จเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำที่บ้านก่อนแล้วจะกลับมาเปลี่ยนเวรกันเนื่องจากว่าบ้านที่อยู่เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากร้านมากนักนะคะระหว่างที่คุณโจ๊กกาลังนั่งรอเพื่อนก็เปิดไฟในร้านแล้วก็พร้อมบริการแล้วก็นั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่ง โทรศัพท์มือถือของคุณโจก็ดังขึ้นเพื่อนเจ้าของร้านโทรมาถามว่าเฮ้ยลูกค้าเริ่มทยอยเข้าร้านแล้วเหรอน้ําเสียงของเพื่อนนี่คือดีใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณโจก็เลยถามกลับไปบอกว่า mm. อะไรนะลูกค้าที่ไหนเพื่อนก็ยังพูดต่อว่าไม่ต้องมาอํากันเลยเดี๋ยวจะรีบกลับไปเข้าร้าน หลังจากวางสายโทรศัพท์ไปประมาณ15นาทีนิดหนึ่งค่ะเพื่อนก็ขับรถเข้ามาจอดที่หน้าร้านสีหน้านั้นไม่ค่อยสบอารมณ์มากเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมต้องแกล้งกันด้วยรุ่นพี่ของคุณโจกนั้นนะคะโทรไปบอกว่าเฮ้ยร้านเองอะ่ะลูกค้ากำลังทยอยเดินเข้าร้านเต็มไปหมดเลยยังกับแจกฟรีแนะ่เพื่อนก็ได้โทรไปหารุ่นพี่คนนั้นแล้วก็ยืนยันว่ามีลูกค้าจริงๆหรือว่ากแกล้ง เรื่องของเรื่องก็คือตอนที่เพื่อนกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะมีรุ่นพี่ของเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยขับรถผ่านหน้าร้านพอดีก็เห็นคนเข้าเยอะก็เลยรีบโทรไปถามเพื่อนเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้ร้านขายดีจริงๆนะคนเนี่ยต่อคิวเข้าไปยังกับแจกฟรีแต่พอเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านรีบกลับมาที่ร้าน ไม่มีแขกเลยสักโต๊ะค่ะก็นึกว่ารุ่นพี่คนนั้นอําแต่ว่ารุ่นพี่ก็ยังคงยืนยันว่าตอนขับรถผ่านเนี่ยมีคนเต็มหน้าร้านไปหมดเลยกําลังต่อคิวเข้าร้านด้วยซ้ํารุ่นพี่ก็ยังคงพูดยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้โกหกแต่อย่างใดซึ่งหลังจากวางสายไปยเพื่อนของคุณโจ๊กเนี่ยก็ได้เดินไปนั่งที่หน้าร้านไม่คุยกับใครสักพักหนึ่งเพื่อนก็ลุกขึ้นหยิบทูบไปไหว้ที่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลาผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มค่ะ ก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะคะนั่งรถผ่านหน้าร้านไปแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาหาเพื่อนบอกว่าดีใจด้วยนะวันนี้เนี่ยขับรถผ่านมาเห็นลูกค้าเต็มร้านเลยแต่ว่าทำไมเองสองคนนั่งเฉยๆไม่บริการลูกค้าเลยล่ะเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านได้ยินแบบนั้นก็หันหน้ามาทางคุณโจกด้วยสีหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าเฮ้ยมีเพื่อนเราโทรมาเพิ่งผ่านร้านไปเมื่อกี้บอกว่ามีลูกค้านั่งอยู่ในร้านเต็มไปหมดเลย พอคุณโจ๊กได้ยินแค่นั้นค่ะถึงกับขนลุกทั้งตัวเนื่องจากว่าตอนนั้นในร้านมีเพียงแค่คุณโจ๊กกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอยู่แค่สองคนไม่มีลูกค้าเลยสักโต๊ะเรียกได้นะคะว่าวันนี้ทั้งวันมีคนที่รู้จักนะคะขับรถผ่านหน้าร้านมองเห็นคนในร้านมีลูกค้าเต็มแทบทุกโต๊ะสิ่งนี้ทำให้คุณโจ๊กกับเพื่อนเจ้าของร้านเกิดอาการสงสัยแล้วก็กลัวกันพอสมควรนะคะ เวลาผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าๆค่ะก็มีเด็กนักเรียนเทคโนมาแทงกันเสียชีวิตหน้าร้านเรียกว่าเสียชีวิตคาที่ ได้เกิดแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีขึ้นนักนะคะบริเวณร้านจนเพื่อนเนี่ยตัดสินใจปิดร้านสักทักหนึ่งเพื่อไปท่องเที่ยวหลังจากนั้นพอกลับมาเพื่อนเจ้าของร้านก็ได้นักร้องคนใหม่ประจำร้านเข้ามาด้วยแล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะวันนั้นนักร้องคนนี้เมาแล้วก็เผลอว่าห้องน้ำในร้านเนี่ยเกิดเต็มตัวแกเองทนไม่ไหวก็เลยไปฉี่ข้างๆกระถางทูบที่เพื่อนคนนั้นเอาไว้ปักหน้าร้านนะคะ หลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเขารวมไปถึงร้านก็มักจะพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆตลอดมาจนกระทั่งร้านต้องปิดตัวลงในที่สุดทุกวันนี้คุณโจกและก็เพื่อนยังคงหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าเพื่อนทั้งสองคนนั้นเห็นใครในร้านรวมไปถึงตึกแถวแห่งนี้ได้เกิดอะไรขึ้นหรือไม่หรือว่าคุณโจกและเพื่อนไหวเจ้าที่ไม่ถูกทุกอย่างยังคงไม่แน่ชัด แต่ว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่คุณโจกยืนยันนะคะบอกว่าได้ประสบพบเจอกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านเหล้ามาสองคนค่ะเรื่องผีผีเป็นเรื่องที่ใครไม่เจออาจจะไม่เชื่อซึ่งคุณพลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจนกระทั่งคุณพลอายุได้สิบสองปีค่ะก็ได้เจอเข้าแบบจังๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณพลก็เลยเป็นอีกคนนึงค่ะที่เชื่อแบบสนิทใจแล้วก็หวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ สมัยคุณพลเป็นเด็กนะคะก็เป็นเด็กที่ซุกซนเอามากๆวันๆก็ไม่เคยอยู่ติดบ้านชอบออกไปตระเวนเล่นที่นู่นที่นี่อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ห้ามก็แล้วขู่ก็แล้วตีก็แล้วค่ะแต่คุณพลเองก็เป็นเด็กดีได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เข้าอีรอบเดิมทุกที นกระทั่งในวันหนึ่งค่ะวันที่คุณพลบอกว่าได้เจอดีเข้าที่บ้านเช่าหลังนั้นสิ่งที่คุณพลได้เจอมากับตาตัวเองมันสามารถหยุดความสุกสนของเขาได้อย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพลจําได้ดีถึงบรรยากาศในตอนเช้าวันหนึ่ง ท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวายของผู้คนในละแวกบ้านเมื่อจับใจความได้ถนัดนะคะก็เลยได้ทราบค่ะว่าเกิดเหตุคนผูกคอตายที่บ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของคุณพลนักนะคะและผู้ที่ฆ่าตัวตายในครั้งนี้ก็คือพี่แตนสาวรุ่นพี่ผู้ใจอารีกับเหล่าธโมนอย่างพวกคุณพลเสมอมาคุณพลก็ไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าคุณแดนเนี่ยจะผูกคอตายในบ้านเช่าหลังนั้น เพราะว่าตามปกติแล้วพี่แตนจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเวลาที่เด็กๆไปวิ่งเล่นที่บ้านของแกนอกจากแกจะไม่ดุแล้วแกก็ยังใจดีหาขนมให้กินอีกต่างหากซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าแกจะจบชีวิตของตัวเองแบบนี้ทั้งที่ยังเรียนวิทยาลัยครูเป็นปีสุดท้ายแล้วด้วย พี่แดนนะคะคุณพลบอกว่าเป็นคนสวยในสายตาของคุณพลค่ะแกก็เช่าบ้านหลังนั้นอยู่กับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันอีก5้าคนแล้วภาพสุดท้ายที่คุณพลได้เห็นพี่แตนก็คือร่างของแกถูกแบกออกจากห้องน้ำซึ่งอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยือสีแดงคุณแตนใช้เชือกผูกกับคานห้องน้าแล้วก็จบชีวิตตัวเองอย่างน่าอนาจใจหลังจากที่คุณแตนผูกคอตายในห้องน้าบ้านเช่า เพียงไม่นานนักนะคะเพื่อนๆของคุณแตนเนี่ยก็พากันย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นจนหมดด้วยสาเหตุที่พากันกล่าวขานนะคะว่าวิญญาณตายโหงของพี่แตนนั้นเฮียนมากหลังจากที่ตายไปแล้วค่ะก็มาปรากฏร่างให้กับเพื่อนๆได้เห็นจนทุกคนขวัญหนีดีฝ่อไม่สามารถทนอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นได้อีกต่อไปและในที่สุดนะคะบ้านเช่าหลังนั้นก็ได้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นนานหลายเดือน แรกๆเองคุณพลบอกว่าก็ไม่กล้าไปวิ่งเล่นซุกซนภายในบริเวณบ้านเช่าหลังนั้นเหมือนกันเพราะว่าพวกผู้ใหญ่ก็มักจะขู่นะคะว่าถ้าไปวิ่งซนที่นั่นก็ระวังจะโดนผีพี่แตนหลอกเอาแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะความกลัวก็เลยลดน้อยถอยลงไปแล้วในที่สุดนะคะคุณพลแล้วก็พวกเพื่อนๆทมลก็กลับเข้าไปวิ่งเล่นภายในบ้านเช่าหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีต้นมะม่วงใหญ่ที่ให้ลูกดกแล้วก็อร่อยมากวันหนึ่งค่ะด้วยความซุกสนของพวกคุณพลแล้วก็เพื่อนๆก็เลยเกิดการท้าทายกันขึ้นมาว่าจะมีใครกล้าไปแอบดูภายในบ้านเช่าหลังนั้นตอนช่วงโพรเพลย์บ้างแล้วคุณพลก็รับคำท้านั้นด้วยการงัดหน้าต่างบ้านเข้าไปในตอนเย็นนะคะเพื่อแลกกับเงินที่เพื่อนๆลงขันกันจานวนหลาย10บบาทค่ะภายในบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่หนาเตอะ อยากย่ายระยองระยางเงียบแล้วก็วังเวงคุณพลก็เลยปีนเข้าไปแล้วก็เดินตามไปห้องต่างๆซึ่งขณะเดียวกันก็จะต้องร้องบอกเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เดินถึงตรงไหนแล้วเดินถึงห้องไหนแล้วเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าเราได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านที่ร่ำลือว่าผีดุจริงๆคุณพลผ่านเข้าไปทุกๆห้องของบ้านค่ะและสุดท้าย ที่ผ่านเข้าไปก็คือบริเวณห้องน้ำซึ่งเป็นห้องที่น่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวที่สุดขณะนั้นดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วนะคะภายในบ้านก็เริ่มสัวคุณพลเองก็เกิดความกลัวจนเกือบถอดใจค่ะแต่ว่าในที่สุดเมื่อเข้ามาแล้วก็เลยจําเป็นต้องทำให้สําเร็จนะคะก็เลยตัดสินใจค่อยๆเปิดประตูห้องน้าแล้วก็แง้มออกทีละน้อยนะคะจนกระทั่งเห็นสภาพภายในบ้านอย่างชัดเจน ซึ่งมันก็ทําให้คุณพลเนี่ยนะคะถึงกับต้องตะลึงตาค้างกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าหัวใจเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะแล้วค่ะหวาดกลัวจนต้องร้องลั่นแล้วก็หันหลังเผ่นออกมาจากบ้านเช่าหลังนั้นให้ทันก่อนที่หัวใจจะวายตายไปซะก่อนคุณพลบอกว่าเห็นเต็มตาเลยนะคะว่าตรงกลางห้องน้ํานั้นปรากฏร่างของพี่แตนแขวนคอห้อยตรงเตงอยู่ แกก็อยู่ในชุดเดิมในวันที่พบศพก็คือกางเกงขาสรรั้นแล้วก็เสื้อยืดสีแดงสดใบหน้าของพี่แตนก็คือเขียวคล้ำตาเหลือบแล้วก็ลิ้นห้อยจุกปากซึ่งมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะผ่านมาแล้วเกือบสิบปีก็ตามนะคะแต่ว่า สภาพผีพี่แตนที่มองเห็นยังคงติดตาคุณพลตลอดและเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้หยุดความสนได้อย่างถาวร น, นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคุณพลบอกว่าผมคิดว่าวิญญาณพี่แตนแกก็คงอยากจะล้อเล่นกับน้องๆแต่ว่าเล่นแบบนี้เห็นทีจะไม่ไหวเพราะมันทำให้ผมจับไข้ไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะ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 คุณกรณเป็นพนักงานขายของอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในปั๊มน้ำมันย่านคลองหลวงปทุมธานีนะคะคุณกรณเพิ่งจะผ่านประสบการณ์ระทึกขวัญมา ส, สดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เลยอยากจะนาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะตามธรรมดาแล้วนะคะพนักงานขายภายในปั๊มน้ามันแห่งนี้ก็จะมีการเข้าทางานกัน3มกะโดยวันนั้นเองนะคะคุณกรณก็เข้าทางานในกะดึก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 ซึ่งบ้านเนี่ยที่จัดงานแต่งงานกับบ้านของคุณก้อยนะั้นเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ค่อยเท่าไหร่นั ก, ก น, นะคะเรียกว่ า, าคุณก้อยนอนอยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงเครื่องไฟค่อนข้างดางังเพราะว่าอยู่ห่างไม่ถึงรอยเมตรเย็นวันศุกร์ดิบก่อนวันพิธีหนึ่งวันพ่อแม่แล้วก็พี่ของนกคุณก้อยนะคะก็ได้ไปช่วยงานที่บ้านญาติคุณก้อยบอกว่าจาได้ว่าวันนั้นเนี่ยตรงกับเย็นวันเสาร์พอดี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 คราวนี้มันชัดเจนมากเพราะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเป็นการสัมผัสดโดยมือของใครคนหนึ่งที่เย็นมากๆเย็นเฉียบแล้วก็กระด้างสากอย่างบอกไม่ถูกคุณก้อยก็เลยรีบลืมตาขึ้นมองว่าเอ๊ะใครกันที่มาจับแขนแล้วใครคนนั้นก็ได้ทำให้เขาตกใจจนแทบช็อกค่ะคุณก้อยบอกว่าทันที ที่เขาได้เห็นใบหน้าของคนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีขาวหมดใบหน้านั้นเขียวช้ำจนจะออกดำหน้าตบๆเบ้าตาโหลลึกนะคะแล้วก็ในตาสีแดงกำ่ัแข็งกร้าวกำลังจ้องมองมาที่คุณก้อยอย่างไม่กระพริบ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 ซึ่งถ้าหากว่ามัวแต่ชักช้าโอเออยู่กว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะจัดแจงเตรียมสถานที่เสร็จคงไม่ทันการถ้ำ ม, มืดซะก่อนระหว่างที่ตาเดินไปนั้นตาไม่ยอมเอ่ยปากถามพ่อครูเลยว่าที่หมายที่จะไปคาดห้างมันอยู่ที่ใดต้องเดินไปอีกไกลหรือเปล่า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 กว่าที่พรันเท่าแล้วก็พรานชุ่มจะดันโดนมาถึงบริเวณป่าพุดังกล่าวเวลาก็บ่ายคล้อยแล้วพลนชุ่มบอกว่าเมื่อมาถึงที่ทั้งสองจะคาดห้างสองสัตว์บทเรียนแรกของการเป็นพรันป่าที่พรานเท่าได้ถ่ายทอดมาให้ก็คือการฝึกสังเกตบริเวณที่สัตว์จะออกหาลูกไม้กินนะคะแล้วก็ฝึกการเลือกต้นไม้สำหรับเป็นที่ผูกห้าง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 ต่อการค่าท่างสองสัตว์สักเพียงใดแต่ว่าจนแล้วจนรอดพรานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พรานหน้าใหม่ก็ยังไม่เห็นสัตว์ชนิดใดโผล่หน้ามาให้เห็นสักตัวรอบทางของพรานทั้งสองในเวลานี้เห็นจะมีแค่ความมืดแห่งรัตติการกับเสียงของแมลงกลางคืนที่กรีดปีกส่งเสียงหาคู่ระ ง, งมไปทั่วราวป่ารวมทั้งแสงสว่างจากหิ่งห้อยอันวับแวมราวกับแสงสว่างของดวงดาวและก็ความหนาวเหน็บแห่งค่ําคืนเท่านั้นเองค่ะ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 พร้อมทั้งปืนในมือก็ถูกเล็งไปยังต้นกำเนิดของเสียงดังกล่าวพ่านชุ่มพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดออกไปบริเวณที่ได้ยินเสียงดังสวบบนะคะพลางกวาดสายตาไป ร, บรอบๆเพื่อต้องการจะรู้ว่าสัตว์ตัวไหนที่เข้ามาแล้วก็มันเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่สมควรจะยิงได้หรือไม่แต่ว่าสายตาของแกเองก็ต้องไปสะดุดเข้ากับเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ค่ะ